เจอกันนะเคารพกันใช้หลักเรียกอาวุโสพันเตอาวุโสเด็กกว่านะของเรามาใช้กับข้างอาวุโสว่แกกว่า <c oughs> พันเตว่าท่านผู้เจริญเวลาเราเรียกพระผู้ใหญ่กว่าเป็นพันเตพระผู้ใหญ่กว่าคุยกับพระที่อ่อนกว่านี่เรียกอาวุโสว่าผู้มีอายุอาวุโสว่าผู้มีอายุ เราเลยมาแปลอาวุโสเืองอายุมาก <c oughs> งั้นทาเนียมพระเนี่ยมีหลักตายตัวเขาลบกันด้วยหลักอาวุโสพันเตใครบวชก่อนคนบวชทีหลังต้องไหว้ <c oughs> ในโลกเราใช้หลักอะไร <c oughs> ใช่อะไรนะอายุเหรอไหว้ตามอายุตลอดไปไหมไม่ตลอด <c oughs> เราใช้วุ ธ, ธิใช่ไห ขุนอาวุธบางคนเขาก็กลัวอย่างเวลาเราไปหามหมอไหว้หมอรู้สึกไหมแก่กว่าก็ไหว้หมอเจอหมอไหว้ไว้ก่อนไหว้ด้วยขุนอาวุธไหว้ด้วยชาติวุฒิอย่างเราเจอเจ้าเราก็ไหว้ใช่ไหมไหว้ด้วยไหวเอวุฒิแก่กว่าเราก็ไหว้งั้นในโลกเราก็ใช่หลักวุฒินะวุฒิสามอย่างแต่เดี๋ยวนี้มีวุฒิที่สี่ธนวุฒิมีเงินมาก ตัวนี้รู้สึ ก, กใหญ่แล้วโลกก็ใช้หลักที่พอหมอพอควรกับโลกทางธรรมะก็ใช้หลักที่พอหมอะพอควรกับฝ่ายธรรมะเรียกว่าสมมติสมมติปฏิบัติต่อกันนันก็เป็นเรื่องสมมุติแล้ภาวนาเราก็รู้จักสมมุติไม่ใช่ภาวนาแล้วปฏิเสธสมมุติรู้จักสมมุติแล้วคลอยตามสมมุติไป อย่างบางคนภาวนานะเป็นนักธุรกิจสาวภาวนาแล้วนุ่งผ้าถุงเป็นเจรจาธุรกิจนะโกรผมเกลี้ยงเกลี้ยงไปด้วยนะหน้าก็ไม่แต่งปากก็ไม่ทาใครจะอยากเจรจาด้วยเขากลัว <c oughs> ไม่ไม่ไว้ใจดูไม่น่าไว้ใจซะอีก <c oughs> แล้วก็ดูสมมตินะโลกเขาสมมติว่าเป็นแบบนี้ดีก็ดีกับเขาไปเล่นนีบเขาไป แต่เล่นแบบรู้ทันมันมหลงจริงจังกับมันต้องเล่นให้เป็นนะเล่นไม่เป็นนะทุกข์มากอย่างบางคนนะโลกเขาสมมติว่ามีอำนาจคนก็ยกย่องพอกเกษียณ น, นะโลกเขาสมมติว่าหมดอำนาจนะจอยเลยเคยเจอไหมเคยได้ยินไหมเกษียณได้สองสาวันก็ตายแล้วเฉาตายนะไม่มีใครเขาทำอะไรเลยนี่เล่นสมมติไม่เป็นอยู่กับโลกนะั้นก็ฉลาดรู้ทันมัน เล่นกับมันไปพอเหมาะพอควรในทางจิตวิญญาณนะั้นทุกคนมีหน้าที่พัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่กับที่ก็ไม่ได้ต้องดีขึ้นต้องสูงขึ้นไปเรื่อยเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาจิตวิญญาณของเราพระพุทธเจ้าก็ประทานไว้ให้แล้วนะคือศีลสมาธิปัญญาต้องทำให้ครบนะขาดใดหนึ่งไม่พัฒนาหรอกถ้าไม่มีศีล น, นะเคยมีสมาธิสมาธิก็จะเสื่อมไป ปัญญาก็ไม่เกิดหรอกนะเพราะสมาธิไม่มีปัญญามันั้นมีสมาธิหนุนหลังอยู่ถึงจะเกิดปัญญาได้นี่จิตต้องสงบจิตต้องตั้งมั่นปัญญาถึงจะเกิดถ้าเราทุศีลเสอย่างเดียวจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านศีลไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มี่เราขัดเกลตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศีลเบื้องต้นต้องจงใจงวดเม้นไว้ก่อน ตั้งใจงดเว้นการทําบาปอกุศลทางกายทางวาจาห้าอย่างอย่างน้ยเอาศีล5้าให้ได้เอาเท่านี้พอละรักษาศีล น, นะหข้อรักษาไว้เบื้องต้นจงใจก่อนต่อไปก็มาฝึกจิตคอยสังเกตอยู่ที่จิตเรื่อยกิเลสเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตรู้ทันมีสติรักษาจิตไว้รักษาศีลที่รักษายากเพราะเรามุ่งไปรักษาที่กายที่วาจา เราไม่ได้รักษาที่ใจผิดศีลมันผิดมันที่ใจก่อนมันถึงจะไปผิดที่กายวาจาได้ดงนั้นต้องรักษาต้นทางมันให้ได้มีสติรู้ทันจิตตัวเองไว้กิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันนะจะไม่ผิดศีลเลยนะผิดไม่ได้เลยอันนี้เป็นหลักนะเป็นหลักของการปฏิบัติ จ, จริงๆเมื่อเรามีสติรู้ทันจิตนะกิเลสเกิดรู้ทันรู้ทันท น, นะจะได้ศีลอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้ทันจิตไปอีก จิตฟุ้งซ่านไปคอยรู้จิตฟุ้งซ่านไปคอยรู้จิตวิ่งไปคิดนะ่ะจิตหนีไปคิดทั้งวันนะไหลแวบแวบแว บ, แวบจิตไหลไปคอยรู้บ่อยๆถ้าเรารู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมานะนี่เป็นวิธีฝึกให้ได้สมาธินะรูบาอจารย์ก็สอนนะไม่ใช่ไม่สอนเพียงแต่ภาษาที่ท่านใช้ไม่เหมือนที่หลวงพ่อใช้เท่านั้นเองอยังลองไปดูในประวัติหลวงปู่มั่นมีอยู่ท่านสอนเรื่องการภาวนา ท่านสอนเลยเรื่องการภาวนานะให้พุโทโธไปให้หายใจไปแล้วจิตหนีไปเราค่อยรู้ทันจิตไหลแล้วรู้ไปพอจิตมันฟุ้งไปแล้วรู้เนี่ยมันจะค่อยๆสงบเข้ามาเองไม่ต้องบังคับนะเนี่ยไม่ค่อยไม่ต้องบังคับเราให้คอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะสงบตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตสงบตั้งมั่นแล้วเรียกว่าเราได้สมาธิลแล้วต่อไปเราพัฒนาให้เกิดปัญญา ที่แรกเรามีสติรู้ทันกิเลสได้ศีลมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านเป็นกิเลส ช, ชั้นกลางได้สมาธิ<ม>ต่อไปก็มาเจริญปัญญาแก้งโง่ศีลเนี่ยสู้กิเลสอย่างหยาบคือราคะโทสะโมหะที่ครอบงำกายวาจาสมาธิสู้กิเลส ช, ชั้นกลางคือความฟุ้งนานาชนิดของจิตนิวรณ์เรียกว่านิวรณ์ปัญญานั้นสู้กิเลส ช, ชั้นละเอียดคือความไม่รู้ความโง่เขลาคืออวิชชา โมหะวิธีที่จะทําลายความไม่รู้ได้มีอยู่ทางเดียวอยากทําทลายความไม่รู้ก็ต้องทําลายด้วยการมีความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาจะทําลายมิจฉาทิฏฐิก็ทําลายด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อไรเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นมิจฉาทิฏฐิก็ถูกทําลายไปโดยอัตโนมัติเหมือนเมื่อไหรแสงสว่างเกิดขึ้นนะความมืดก็ดับไปโดยอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติเพราะฉั้นเราต้องเห็นถูกเห็นถูกเป็นยังไงทํายังไงจะเห็นถูก ต้องเห็นตามความเป็นจริง inda. เห็นเรื่องอะไรต้องเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นไใ้สิ่งที่เรายึดมากที่สุดว่าเป็นตัวเราของเรานี้แหละเรายึดตัวเราของเรานะก็ยึดกายยึดใจนี่มากที่สุดยึดขันห้ามากที่สุดนี้แหละงั้นมาดูความจริงของขันห้าว่าจริงๆขันห้าเป็นตัวเราไหมอยากดูว่าเป็นตัวเราคําว่าตัวเราตัวเราหมายถึงตัวตนที่ถาวรอมตนะเดีย๋ยวพวกเราที่ไม่ได้พานาหรือชาวพุทธที่แขวนงป้ายว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นชาวพุทธจริง เพาเชื่อนะมีความเชื่อว่าพอตายแล้วเนี่ยจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่จิตเป็นอมตะจิตเที่ยงจิตเป็นอัตตาเป็นตัวตนอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะนี่ส่วนใหญ่เราเชื่ออย่างนี้ด้วยซ้ำไปหลวงพ่อแต่ก่อนก็เชื่ออย่างนี้นะเชื่อเจอผีเจอสางอะไรอย่างเงี้ยเาก็เชื่อว่ามันออกจากร่างไปนะตายแล้วจิตออกจากร่างเป็นผีเที่ยวร่อนเร่ไปอะไรอย่างเงี้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิ อยากเห็นถูกก็ต้องมาดูของจริงจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาจิตมันไม่เที่ยงจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับนี่เห็นอย่างนี้เรื่อยมีแต่เกิดแล้วดับไม่มีจิตเที่ยงหรอกเราจะล้างความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงได้นะถึงจิตหนึ่งเราจะเห็นจิตไม่เที่ยงจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้ท่านสอนบอกว่า จิตนั้นทั้งวันทั้งคืนนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนี้อาศัยอยู่ในกายกายเหมือนถ้าที่จิตมาอาศัยอยู่จิตนี้เที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวไปทางไหนเที่ยวไปทางตาเที่ยวไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจคือเที่ยวไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งและจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยๆเกิดแล้วก็ดับ จิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับนะจิตโลภจิตกโกรธจิตหลงมีแต่เกิดแล้วดับหมดเลยหัดดูของจริงอย่างนี้เรื่อยไปมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยไปจะได้ปัญญาเห็นไหมมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตจะได้ศีลมีสติรู้ทันความฟุง้งซ่านของจิตนาน า, นานชนิดเลยะจะได้สมาธิมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตของใจไปจะได้ปัญญา จะเห็นว่าจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเรื่อยไปจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้แหละสุดท้ายจิตมันเกิดปัญญามันปิ้งขึ้นมานะว่าจิตทุกอย่างแล้วเกิดแล้วดับหมดเลยไม่มีหรอกที่เป็นตัวเป็นตนถาวรละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนถาวรได้ถ้าเมื่อไรละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้ได้เป็นพระโสดาบัน พระโสดา บ, บันคือท่านที่เห็นความจริงแล้วว่าไม่มีตัวเราในขันห้านี้ทำไมหลวงพ่อมาเน้นที่จิตในขันห้านะั้นะสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดคือจิตนะไม่ใช่คือกายนะอย่างเราเรารู้สึกกายเป็นตัวเราใช่ไหมไปตัดผมได้ไหมกล้าไหมกล้าตัดใช่ไหมกล้าตัดผมได้พอตัดแล้วผมไม่ใช่เรานะใช่ไหมเอามาเก็บไว้ชื่นชมไหมเหม็นสาบเหม็นสางไม่กล้านะ <c oughs> กล้าตัดเล็บไหม ไม่ตัดก็น่าเกลียดใช่ไหมนึอตัดแล้วไม่เป็นเราแล้วเกิดเป็นเบาหวานขาเน่าต้องตัดขาไหมยอมไหมเห็นไมมยอมนะมันไม่เป็นเราที่แท้จริงอ่ะแต่จิตนั่นนมัน เ, ปนเป็นเราที่แท้จริงตัดไม่ขาดเลยนะมันจะรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราเหนียวแน่นที่สุดเลยที่จิตนี่เองเะฉั้นถ้าเราพอนารวบยอดเลยนะมารู้ลงมาที่จิตเลยเห็นจิตมันเกิดดับจิตไม่ใช่เราแล้วจะไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นเราอีกแล้วร่างกายไม่เป็นเรานี่หมูมากเลยนะง่ายมาก พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายนะปูถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราหมายถึงคนาศาสนาอื่นก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราสองกระจกดูก็รู้นะแต่ละวันนหะน้าเหี่ยวไปเรื่อยๆนะดูวันเดียวไม่รู้ดูไม่ออกนะดูรูปถ่ายเวลาไปดูรูปถ่ายเก่าๆรู้สึกไงโอฉันยังอมตะเหมือนเดิมไหมไม่เป็นหรอกนะแต่ไม่ใช่ถ่ายเมื่อวานนะเอาถ่ายเก่าๆหน่อย ความจริงมันฟ้องนะงั้นปุถุชนเนี่ยคนที่ไม่เคยได้ยินธรรมะเลยนะหรือคนาศาสนาอื่นเลยเขาก็รู้ได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ท่านยืนยันเลยมีแต่ในธรรมวินยัยมีแต่ในคําสอนของท่านนี้เท่านั้นถึงจะเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เรานะงั้นเรามาเรียนนะเอาให้ถึงแก่นแท้เรียนเอาง่ายๆเลยเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองเลยถ้ามีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตจะได้ศีลมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตจะได้สมาธิ มีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตจะได้ปัญญานะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนี่เรียนรวบยอดเลยนะได้จิตก็ได้ทั้งหมดเลยนะวางจิตก็วางทั้งหมดเลยนะที่จิตนี่เองรู้ที่จิตละลงที่จิตนะวางลงที่จิตนี่เองงั้นคอยหัดสังเกตจิตสังเกตใ จ, ใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากบางคนบอกภาวนานี i ยากเหีย้ยนเหลือเกินไม่ยากหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อ ว, ว่าการภาวนาไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัต การปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตนะไม่ได้ให้แต่งจิตจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยจิตถึงบทฟุ้งซ่านล้จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะเนี่ยจิตถึงบทรักและจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนี่จิตเล่นบทโกรธแล้วอ่านมันไปเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไม่ใช่ให้เราเป็นนักประพันธ์ไม่ใช่จิตดีก็ต้องรักษาไว้จิตเลวก็ต้องหาทางทําลายไม่ต้อง ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงของเขาเรื่อยๆไปจะเห็นเลยเขามีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ขั้นจริยธรรมนะขั้นจริยธรรมเป็นเรื่องของศีลของสมาธิอะไรนั่นไปนะมีมีมีดีมีเลวที่แตกต่างกันอย่างคนมีศีลใช่ไหมไม่ทําผิดศีล5ก็ว่าดีคนทําผิดศีล5้าว่าไม่ดี คนสงบมาดีควรฟุ้งซ่านมาไม่ดีนี่ขั้นของศีลของสมาธิยังเป็นขั้นจริยธรรมอยู่นะส่วนขั้นของการภาวนา น, นั้นเลยขั้นจริยธรรมแล้วต้องการประจักษ์ต้องการเห็นความจริงแท้นะเลยจริยธรรมไปชั่วกระดีเท่าๆกันสุขกทุกข์นั้นเท่าๆกันเท่ากันโดยอะไรโดยความเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่โดยจริยธรรมโดยจริยธรรมแล้วไม่เท่ากันเพราะในขั้นการเดินปัญญาเนี่ยสุขทุกข์ดีกับชั่วนี่เท่าเทียมกันนะ ยังรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอยู่จิตยังดิ้นรนอยู่ยังมีการให้ค่ายังหลงในความปลูกแต่งอยู่แต่ชั่วไม่ได้นะคนที่เดินปัญญาได้เนี่ยต้องผ่านศีลต้องผ่านสมาธิมาก่อนอยู่ๆจะมาเจริญปัญญาไอ้นันก็ม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดมันจะชั่วที่สุดเลยมันชั่วยิง่งกว่าคนชั่วธรรมดาอีกนะเพราะเอาธรรมะไปแอบอ้างว่าฉันเป็นคนดีที่จริงชั่วยิง่งกว่าคนชั่วอีกนะเพราะนั้นก่อนจะที่เดินปัญญาได้อย่าลืมศีลและสมาธินะ ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรองรับปัญญานั้นจะกลายเป็นอาวุธของมารเลยเป็นเครื่องมือของกิเลส ท, ทั้งหมดเลยอ้างตลอดเลยเช่นอยากภาวนาขึ้นมารู้ทันจิตที่อยากนี่มันอยากแล้วฉันไม่อยากฉันนอนดีกว่านะเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปปัญญาชนิดนี้ด่าคนก็ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีคนตีใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีคนนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเกลียดใครตบมันเลยนะ มันไม่มีคนธาตุมันกระทบกับธาต์จะเป็นไรไปเ น, นี่ยไหมปัญญาชนิดนี้นะเป็นเครื่องมือของมารหมดเลยนะงนั้นต้องมีศีลมีสมาธิเป็นฐานรองรับนะแล้วมาดูขั้นเจริญปัญญาเนี่ยสุขกับทุกข์เท่าเทียมกันดีกับชั่วเท่าเทียมกันไม่ใช่สุขเนี่ยปรารถนาทุกข์ก็เกลียดมันอยากให้สุขอยู่นานๆสุขไม่เกิดอยากให้เกิดเกิดแล้วอยากให้อยู่ถาวรไหมฝืนธรรมชาติทั้งหมดเลย ความทุกข์ก็ไม่อยากให้มันเกิดเกิดแล้วอยากให้มันดับเร็วๆใจมันจะดิ้นทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นใจมันจะดิ้นเมื่อนั้นเลยเมื่อเช้าสอนแล้วนะเรื่องอยากอยากสุขอยากให้สุขถาวรนะอยากให้สุขเกิดอยากให้เกิดถาวรอยากให้ทุกข์ไม่เกิดอยากให้ทุกข์ที่เกิดแล้วดับล้วนแต่อยากทั้งสิ้นเลยจิตจะปรุงแต่งต่อนะจิตไม่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกเพราะนั้นในขั้นของการเดินปัญญานะต้องสักว่ารู้ว่าเห็นไปดูกายเขาทํางานดูใจเขาทางานถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อน กลายเป็นบ้านของจิตไปเฝ้าหน้าบ้านไว้เรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นเจ้าของบ้านคือเห็นจิตสุดท้ายมันเข้ามาที่จิตนะมาละที่จิตมาวางที่จิตเองตัดกิเลสก็ตัดกันที่จิตเองไม่ได้ตัดที่กายหรอกแต่ว่ากายมันเป็นบ้านบางคนหาเจ้าของบ้านไม่ได้มาดูกายไว้ก่อนดูกายเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตดูจิตแล้วเห็นกายไหมดูจิตแล้วเห็นกายไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นอย่างละเอียดทียิบเลย นอนหลับอยู่เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกตัวทั้งคืนเลยรู้สึกไหมใครทําได้บ้างใครรู้สึกตัวยกมือให้กําลังใจกับคนที่เขาต่างทไม่ได้เอายกมือใหม่ๆยกใหม่หมมนะใครที่นอนแล้วรู้สึกได้ยอกแย่นะงั้นใครมาบอกหลวงพ่อประมุขสอนดูจิตอย่างเดียวไม่ดูกายนะั่พูดโง่ๆอ่ะพูดแบบพวกไม่ภาวนาถ้าภาวนาเป็นนะไม่ไม่พูดอย่างนั้นหรอกมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนั่นแหละไม่ใช่รู้อันเดียวอะ่ะดูกายก็เห็นจิตนะดูจิตก็เห็นกาย นะมันเนื่องกันอยู่นะเพราะเราดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจได้เอาเข้ามาตรงนี้เลยถ้าดูไม่ได้ดูกายไปก่อนนะนั้นฝึกนะมีสติอยู่ที่จิตนี่เองฝึกจิตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําความสุขมาให้อะไรเป็นความสุขนิพพานเป็นความสุขนิพพานนางปรามังสุขขังเคยได้ยินไหมนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ น, นําพระนิพพานมาให้นะฝึกให้ดีเถอะ จะเห็นนิพพานนิพพานนั้นมีอยู่แล้วไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่ของที่สดสดร้อนร้อนไม่เหมือนกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นใหม่ๆสดสดร้อนรแต่นิพพานไม่มีเกิดนะถ้าโสดาบันนะหัดดูไปเรื่อยจะเห็นแต่ทุกอย่างเกิดแล้วดับนะถ้าเมื่อไหร่เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับจะได้เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจะเป็นพระโสดาบันส่วนพระอรหันต์เห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะแจมแจ้งในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือพันนิพพานนะ คนละขั้นกันนะเนี่ยปัญญาคนละขั้นพระโสดาเนี่ยแจ่มแจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอรหันต์เนี่ยแจ่มแจ้งในสิ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับนะมันมีอยู่แล้วเราฝึกนะฝึกไปมีสติรักษาจิตวิธีฝึกก็คือมีสติรู้ทันจิตนั่นแหละแล้วสติจะเป็นคนรักษาจิตเราไม่ต้องรักษามีสติรักษาจิตนะท่านไม่ใช่บอกดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายเธอจงรักษาจิต บางทีท่านก็พูดอย่างนี้นะพูดโดยอนุโลมแบบมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาแต่พอพูดถึงตัวสภาวะแล้วท่านบอกให้มีสติรักษาจิตสติจะทําหน้าที่รักษาจิตไม่ใช่เรารักษาจิตเพราะไม่มีเราจิตก็ไม่ใช่เราตัวเราก็ไม่มีงั้นมีสติรักษาจิตก็คือมีสติรู้ทันจิตบ่อยๆกิเลสเกิดปับ๊บสติรู้ทันนะกิเลสดับทันทีในขณะที่มีสติอยู่กิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ ในขณะที่มีสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่มีสติฝึกไปเรื่อยจิตเคยชินจะมีสติมันจะมีสติมากขึ้นมากขึ้นกุศลจะเจริญขึ้นนั้นมีสติรู้ทันอยู่ที่จิตนี่แหละนะกุศลจะดับไปกุศลจะเจริญขึ้นค่อยฝึกแล้วตามเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเรื่อยไปปัญญาเขาจะเกิดเห็นเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในจิตนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจิตจะดูจิตจะฟังจิตจะคิด จิตชนิดไหนก็ตามเกิดระดับทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนฐานบลนะฝึก อ, อย่างนี้ไปนะไม่ยากหรอกพูดง่ายๆนะอยากเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อน <c oughs> มีครูบาอจารย์องค์นึงไปเรียนจากหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็คงพูดสไตล์ที่หลวงพ่อเทศนี่แหละหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนไปเรียนนะฟังฟังหลวงปู่นนะเราสอนหลวงปู่ไปทำไมไปทำเอาว่าหลวงปู่เลย หลวงปู่พูดเอาแต่ได้ <c oughs> คือท่านซื่อๆนะคนสุรินทร์เนี่ยพูดซื่อๆเลยหลวงปู่พูดเอาแต่ได้มีแต่หลวงปูแ่แหละทําได้ <c oughs> มันยากนะหลวงปู่บอกไม่ยากหรอกนึกถึงอกเขาอกเรานะสมัยกระเสือกกสนภาวนาคือยากนะพอทําเป็นแล้วรู้สึกโง่เองอะ่ะจริงง่ายไปทําซะยากเลยจริงง่ายนะ ไม่ได้ทําอะไรมากกว่ารู้ไม่ได้ทําอะไรมากกว่ารู้ตามความเป็นจริงนะแต่เราอดทําไม่ได้ทําไมเราอดทําไม่ได้เพราะเรารักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกนึกออกไหมทําไมเรารักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกเพราะมันมีเราเนี่ยลึกลงไปมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองเรียนจนเห็นมันไม่มีเรานะพอไม่มีเรานะมีแต่ธาตุขันมันทํางานมีแต่ขันนะมีแต่ทุกนะ แต่ไม่มีเจ้าของขันไม่มีเจ้าของทุกมีทุกแต่ไม่มีผู้เป็นทุกขนะรู้สึกง่ายง่ายขันก็ส่วนขันสิพูดเอาแต่ได้ละถึงระดับเนี้ยนะอา้าวตอนนี้ยังไม่ถึงระดับนั้นส่งกันบ้านก่อนอา้าวเชิญมันไม่ยากเนาะไม่ยากหรอกข <Hello. S 1> ับเดินหลวงพ่อนะครับคือ <c oughs> สมมุติว่าเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่เดินปัญญาอย่างเงี้ยให้มันพักไปสิ พอออกมาจากสมาธิแล้วนะพิจารณากายเข้าไปเลยพิจารณากายดูกายเข้าไปเลยรู้สึกไหมมันรักกายราคะในกายมันแรงนะ ร, รู้สึกกูหลอกกูนมกูเท่อะไรเงี้ยมันรู้สึกงี้เนะรื่อยๆนะค้นคว้าลงไปในร่างกายเลยร่างกายแต่ละส่วนนี่ไม่สวยไม่งามไม่สะอาดผมขนเล็บฟันหนัง เ, เนื้อเกระดูกนะดูเป็นส่วนส่วนไปออกจากสมาธิแล้วดูกายเลยแล้วถ้าไอตัวหมุนๆตรงกลางแล้วมีตัวรนะู้อยู่ สมมตว่าอยู่ในสมาธิดูลมหายใจอยู่นะครับ<อ>แล้วก็จะมีตัวหมุนหมุนอยู่ตรงกลางอกอย่าถลำลงไปดูแล้วก็มีตัวรู้อยู่ข้างบนนะครับ<อ>แล้วทีนีอ้อย่าเพ่งใส่ตัวรู้ในขณะเดียวกันอย่าถล่มเข้าไปที่ตัวหมุนเราดูลมหายใจอยู่แต่จะเปลี่ยนมาดูตัวไอ้หมุนหมุนเป็นวิหารธรรมได้ัหมครับได้แต่อย่าให้ถล่มลงไปดูอ่อครับนะอันนั้นมนันเปลี่ยนจากรูปธรรมไปรู้นามธรรมแล้ว ห้ามถล่มลงไปดูนะถ้าถล่มลงไปดูจะจมลงไปในมันเลยไม่ดีเดี๋ยวถูกมันดูดดูดลึกๆถึงเอาเวจีนะ <c oughs> แล้วถ้าไอตัวสุขเนี้ยเราไปดูตัวสุขได้ไหมครับตัวสุขเหมือนมันมีปิติอยู่มีปิติรั่วมีปิติดูไปไม่ใช่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะ <c oughs> ก็จะเห็นเลยปิติก็ไม่เที่ยงครับดูอย่างนี้มันก็จะอยู่แยกกันใช่ไหมครับใช่ปิติส่วนปิติปิติไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้ปิตินี่แยกส่วนกันนะ แยกกันอย่างนี้ไม่ให้จิตถลําเข้าไปในปีติด้วยสักว่ารู้ว่าเห็นต่างหาในขณะเดียวกันไม่ประครองรักษาตัวรู้ด้วยนะมีแต่คําว่าไม่นะเห็นไ้มถ้าประครองรักษาตัวรู้ก็เกินจากคําว่ารู้ใช่ไหมถลําลงไปในปีติมีคําว่าถลําก็เกินจากคําว่ารู้นะถลำไปในตัวหมุนหมุนมีคําว่าถลําเกินจากคาว่ารู้อีกนะั่นรู้อย่างที่มันเป็นนะเนี่ยอย่างนี้ภาวนามาจริง ถ้าภาวนาไม่จริงนะพูดไม่เป็นหรอกไอ้ตัวหมุนหมุนอะไรเงี้ยใครเคยเห็นตัวหมุนหมุนบ้างเอาละสิทําไมไม่เห็นเหมือนเขาอะไม่มีใครเหมือนใครจำไว้นะแต่ถ้าภาวนาแล้วจะเข้าใจแต่มันพอภาวนามาเนี่ยไม่มีใครเหมือนใครหรอกอกลางนักมัจจารหลวงพ่อครับเมื่อวานตอนที่เดินเนี่ครับเห็นจิตที่มันหลงไปคิดเรื่องอื่นโดยที่ไม่ต้องจงใจแล้วก็ไม่ต้องคงแต่งได้มากมันไหลไ ป, ไปเองได้ มันคิดเองได้ดูออกไหมมันไม่ใช่เราหรอกครับนะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยมันแสดงร่องรอยของความเป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นนะครับไม่ทราบตอนนี้จิตฟุ้งน้อยลงไหมครับรู้ตัวเองไหมล่ะก็เออหลวงพ่อครับเมืนะ่อวานหลวงพ่อบอกว่าที่จิตฟุ้งเป็นเพราะว่าผมไปเพ่งไปกดเวทนาไว้ต่อไปถ้าผมทำสมาธิโดยนั่งสบายๆทาไดใ้ใช่ไหมได้เวทนาเกิดขึ้นนะแยกมันเลย กายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตนะแยกแปงครับเขาที่ผ่านมาก็คิดว่าแยกได้แต่ไม่ชอบมันอ่ะมันเนียนเนียนมันไม่ชอบอะ่ะมันไม่ใช่ว่าแยกจริงนะมันไม่ชอบหรอกคมันทําตัวสบายสบายเลยมันต้องมีรูปแบบเลยนะครับทำไปเถอะมันก็ไม่ชอบอยู่ดีแหละห้ามมันไม่ได้เนาะอีกข้อหนึ่งครับบังเอิญงานที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลาช่วงเราสามารถดูจิตภาวนาช่วงที่ไม่ได้ใช้ความคิด กับดูกายร่วมด้วยขยับมือนี้ได้ตอนทํางานก็ทําไปไม่ใช่เวลาภาวนาแต่ทํางานเหนื่อยแล้วเห็นร่างกายเป็นเลยมันต้องคิดตลอดเวลาครับมันมันต้องคิดตลอดเวลาในช่วงที่มันมีช่วงระยะเนี่ยสามารถดูได้ได้นาทีสองนาทีเก็บให้หมดเลยครับหลวงพ่อก็ทํามาอย่างนั้นแหละหลวงพ่อใช้วิธีกินน้ําเยอะๆนะเนี่ยเครื่องมือในการปฏิบัติกินน้ําให้เยอะเลยแล้วไปฉี่ให้บ่อย เตอนเดินนี่นะใครมันจะว่าเราจะไปห้องน้ำใจร้ายเกินไปแล้วจะมาว่าเรา <c oughs> แต่หลวงพ่อเคยเจอนะมีโรงงานแห่งหนึ่งอยู่แถวประจวบแถวอะไรอะ่ะเช้ามานะพะนักงานไปนี่มให้คู ป, ปองนะให้ฉี่ได้สองครั้งครั้งหนึ่งไม่เกินสองนาทีถ้าเกินตัดเงินเดือนโอ้โหโหดเลยเนาะวันไหนท้องเสียอย่ามาทำงานเลยน <c oughs> <c oughs> ะกล่าวขอบพระคุณครับ หลวงพ่อค้าเมื่อวานนะคะตอนปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะหนูเห็นแบบเรื่องที่มันคิดอะคะ่ะแต่มันมันมีเพิ่มมาคือพอรู้แล้วมันมีโมโหอะคะ่ะอืตัวตาค่ะตรงที่ได้คะแนนนะตรงที่โมโหนั่นแหล ะ, ะลรู้เรื่องที่คิดไม่ได้คะแนนหรอกเพราะใครๆก็รู้เรื่องที่คิด <c oughs> คนไม่พาวนาก็รู้นะเรื่องที่คิดอะ <c oughs> แต่รู้ว่าจิตไปคิดนี่เก่งนะอย่างนี้ถึงจะได้คะแนนรู้ว่ากําลังหลงไปคิดอยู่อย่างนี้ได้คะแนน <c oughs> รู้เรื่องที่คิดเนี่ยไม่ได้คะแนน ตอนนี้มันใจมันก็ฟุ้งๆออกไปข้างนอกเออใจมันฟุ้งใจมันออกนอกรู้ทันอย่างที่มันเป็นไม่ว่ามันนะขอบพระคุณค่ะจิตมันมีกำลังจากการเดินค่ะแล้วพอมานั่งมันก็รู้สึกว่าเห็นได้ชัดว่าจิตมันทำงานแล้วมันก็ดิ้นๆอยู่ค่ะจิตมันฟุ้งสั้นนะฟุ้งสั้นหรือว่าฟุ้งก็มีข้อสงสัยที่ คิดอยู่ว่าจะถามดีหรือเปล่าะอะค่ะคือมันสงสัยว่าถ้าไม่มีเราอะค่ะแล้วกายกับจิตเนี่ยมันเชื่อมกันยังไงฮะมันก็ทํางานเลยตามไปตามหน้าที่ของมันไม่มีเจ้าของหรอกทุกวันนี้มันก็ไม่มีมันก็เชื่อมกันอยู่นะทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีเจ้าของหรอกเจ้าของไอ้ความเป็นเรามันเกิดจากความคิดเท่านั้นเองเวลาเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดความเป็นตัวเป็นตนก็ เ, เกิดขึ้น ถ้าหลุดออกเจางโลกของความคิดหลุดออกจากโลกของความ ป, ปรุงแต่งความเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีหรอกมีแต่ขันนี่แหละทำงานของมันไปตามหน้าที่ขันแต่ละขันมีหน้าที่ทํางานนะแล้วทํางานสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วยแต่ถ้าก้าวไก่กันแล้วยุ่งก็รู้สึกว่าเพ่งน้อยลงแล้วก็สงบเร็วขึ้นนะคะถ้าไม่อยากสงบจะสงบนะถ้าอยากสงบพยายามบังคับจิตให้สงบจะไม่สงบ งันดูสบายๆดูเล่นๆแล้วจะสงบง่ายสงบอย่างเดียวไม่พอนะสงบแล้วค่อยแยกขันไปเห็นร่างกายเนี่ ย, ร, ยร่างกายพนมมือร่างกายพยักหน้าใจเราเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้ค่อยๆแยกไปเมื่อกี้ที่นั่งฟังพ่ะเทศน์น่ะนั่งดูลมไปด้วยครับตอนนี้ลมมันมันก็มีอาการที่เปลี่ยนที่ระดับการหายใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเราดูอย่างนี้ได้ไหมในสมาธิครับได้แต่อย่าถล่มลงไปดู เคล็ดลับอยู่ตรงเนี้ยต้องไม่ถลําไปดูสักแต่ดูอยู่ห่างๆ่างนี้นถึงจะได้อย่าไปดูลมแล้วจิตถลําไปอยู่กับลมไม่ได้เรื่องอ่ะเมื่อกี้ถลํามครัเชื่ไปรู้เหรอไม่ได้ดู <c oughs> ตัวเองไม่รู้เลยมาถามใครแต่มันก็มีถลํากับไม่ถลําเอ อ, <c oughs> อย่างนั้นเห็นไหมดูก็เป็นอยู่ <c oughs> แล้วถามนี้ครับพ่อตอนนั้นเวลาเดินจงกรมหรือทําอะไรมาเหนื่อยๆหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาผมนอนลงไปพักเนี่ยมันเหมือนมี ไ ฟ, ไฟฟ้าที่มันหรือบางครั้งมันก็มีแบบมันไปเห็นกายรอบๆอบรอบๆ อ, อ, อบกายนะครับแต่ว่ารายละเอียดมันมันเป็นคล้ายๆฟองน้ำํำขดขึ้นมาเหมือนน้ําเดือดขดขดๆดขดเนี้ยนั่นไปเห็นอะไรครับพ่รู้เฉยๆไม่ต้องค้นคว้านั้นดูแต่อย่าถลํา ล, ลงไปดูนะจะเห็นมันจะเห็นกายนั่นแหล ะ, ล น, น, ะนั้นมันเกิดดับอย่า ง, งนาั้นแล้วเห็นดูการเกิดดับมันอยหนีใช่รูปเองก็เกิดดับอย่างนั้นแหะแต่ก็อย่างนั้นดูได้ใช่ไหมครับ ได้แต่<ด>ต้องไม่ถล่มลงไปดูครับือต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นดูด้วยจิตที่เป็นกลางสี่ที่ถูกรู้ถูกดูไม่สําคัญหรอกสำคัญอยู่ที่จิตที่ไปรู้ไปดูนะต้องดูด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางแล้วมันจะเห็นเลยทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยมีแต่เกิดแล้วดับเพราะว่าหลายครั้งช่วงหลังๆเนี่ยอธิตสารจิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเวลาขึ้นลงไปนอนก็เหมือนนอนพักเนะี่ยปล่อยกายสบายๆมันมีพลังงานเหมือนพลังงานจากมือวิ่ง วิ่งผ่านรอบตัวชิ้นๆเป็นคลื่นๆๆเนีน่ยดูเล่นไปนะไม่สนใจนะพลังงานพวกนี้บางทีก็มาจากข้างนอกก็มีนะไม่สนใจหรอกข้างในหรือข้างนอกลุงเองหรือคนอื่นส่งมาไม่สำคัญเราดูเป็นไตลักไปก็ได้ดูลงเป็นไตลักนะแต่ดูด้วยจิตที่ตั้งมัน่นข้างนองมีคลื่นเยอะแยะคลื่นเต็มไปหมดเลยที่บางคนนี่จินไปรู้เขา ไม่สําคัญสําคัญที่จิตใครอยากคุยกับหลวงพ่อใครเห็นว่าจําเป็นไม่อยากนะเอาอยากไม่เอาใครเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องคุยกับหลวงพ่อถ้าไม่ได้คุยแล้วก็การพานาจะติดขัดไปไม่รอดช่วยตนเองไม่ไหวเอ่อเบอร์สี่เอาย่อๆนะแต่ละคนอย่าพูดยาวนะไม่ต้องเล่าตั้งแต่ตอนเด็กแต่ชาติปางก่อนอะไรไม่เอาเลยเอาปัจจุบันไม่งั้นไม่ทันอะเยอะ ประีเชิญกราบน้ำมการหลวงพ่อคะ่ะคืออยากจะถาม เ, อ เ, ออ เ, อเหตุการณ์อันหนึ่งคะ่ะคือมีผัสสะเข้ามาแล้วก็มีโทสะพอมีโทสะปั๊บก็เกิดระลึกรู้สติคะ่ะพอระ ล, ลึกรู้สติปั๊บมันก็หายไป<ช>พอหายไปปั๊บมันเบิกบานมากเลยค่ะเบิกบานมากขนาดที่ว่ารู้มีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยกระจายเต็มหน้าอกเลยคะ่ะเสร็จแล้ว มันจะขยับก็ไม่ได้ค่ะก็เลยสงสัยว่ามันเป็นสมาธิทีสส่คือถ้าสติเรารู้ทันสภาวะจริงๆนะจิตมันก็พัฒนาตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เที่ยงตัวเองก็ดับสุดท้ายเรื่อยใช่ไหมคะ่ะถ้าเกิดก็เกิดถ้าไม่เกิดก็ช่างนะอย่าไปหวังว่าไม่จะเกิดทุกครั้งนะนั่นแหละดูถูกแล้วมันเป็นองนั้นแล้วเบอร์แปบแป นามส ก, การค่ะหลวงพ่อคือว่าหนูพยายามไปทําพุโทโธค่ะแต่หนูทําไม่เป็นนะคะคือเดี๋ยวมันก็ไปดูพุโทโธเดี๋ยวมันก็มาหายใจแล้วก็บางทีเวลาคุยกับคนอื่นหนูก็พยายามพุโทโธแล้วหนูเห็นว่ามันมีคนตั้งใจทํามากค่ะรู้ว่าตั้งใจสินะพุโทโธไปหายใจไปทําเล่นๆไม่ได้ทําเอาดีอะไรหรอกทําเล่นๆพุโทโธไปหายใจไปแล้วพอจิตหลงไปคิดรู้ทันไ่มจิตหลงไปคิดต้องการแค่นี้เองค่ะแล้ว แล้วเราเวลาว่างวันก็พุโทโธไปก็ดูการเคลื่อนไหวของกายไปด้วยทำสองอย่างพร้อมกันได้ได้พุโทโธเนี่ยเป็นการกระตุ้นไม่ให้หลงนานนะแล้วสติจะรู้กายก็ได้ก็จะเห็นเลยกายก็อยู่ส่วนกายจิตก็อยู่ส่วนจิตค่อยฝึกเงี้ยที่ทํามาพอถูกบ้างไหมพอถูกดีขึ้นอ่ะรู้สึกไหมดีน้อยมากดีขึ้นหน้อยแต่เรากับแม่บ่อยไหย ยังทะเลาะอยู่เลยค่ะแต่ว่าหลวงพ่อเขาจะถามด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยพอแม่มาใกล้ๆมันจะมีรู้สึกว่าแบบมันหงุดหงิดอะคะ่ะแล้วแบบหนูหลวงพ่อบ อ, บอกอไม่ให้สอนเมื่อก่อนก็หงุดหงิดแต่ไม่เห็นมันหงุดหงิดมากเลยนะคะแล้วก็แบบหลวงพ่อบอกไม่ให้สอนใจหนูเห็นความหงุดหงิดแล้วหนูก็ยิ่งหงุดหงิดหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เลยอะคะ่ะหนูสอนนิดนึงได้ไหมคะได้จะจะหลวงพ่อมีอุบายแนะนําให้ ดูมันสินะดูมันเหมือนดูคนอื่นดูจิตตนเองมันดูจิตคนอื่น่ะเห็นมันหงุดหงิดเหมือนเห็นคนอื่นหงุดหงิดตัวอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ปากก็ปิดให้แน่นแน่นไว้แต่หน้ามันไปด้วยแม่ว่าไม่เป็นไรบอกแม่ต้องทําใจนะเก็บปากได้หนึ่งอย่างก็บุญแล้วอย่างงี้เราเราดูว่าเป็นแบบความหงุดหงิดเกิดแล้วก็เห็นดูเหมือนคนอื่นเลยดูมันดูคนอื่นนะใหญ่บ้านนี้มันกาลังโมโหแล้วดูอย่างงี้นะค่ะแล้ว หลวงพ่อคะหนูเห็นว่าตัวเองเลีวเร็วค่ะมันมันเพึ่งเร็วหรือว่ามันมันเร็วแต่ก่อนเร็วกว่านี้นะเร็ว <น S 2> แล้วไม่เห็นมันเห็นแบบมีอัตตาในทุกอย่า ง, งที่ทําเลยค่ะดีนะถึงเสียงนั้นแหละภาวนาดีอัตต า, าลดลงถูกแล้วใช่ไหมคถูกแล้ว<อ>แล้วหนูจะไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มไหมคะอย่ไปนั่งเพ่งเอาก็แล้วกันเดี๋ยวไปบังคับนะไปนั่งรู้เอาพยายามให้นั่งสมาธิลืมตาใช่ไหมคะ ไม่ใช่ลืมตาหรือหลับตาพยายามรู้สึกตัวไว้ไม่นั่งออกเคลิม้มร้อยเกาคราวที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าโลกภายนอกกับภายในเนี่ยมันอยู่คนคนละคนกันอยู่คนละส่วนกันกลับไปดูไม่ออกครับหลวงพ่อครับเลยมาถามว่าเอ๊ะมันไม่เป็นไรไม่ออกก็ไม่ออกนะครับสังเกตไม่ใจเราเบา ดูออกไหมตรงเนี้ยใจมันโล่งโลมันเบาๆขึ้นอะไรเงี้ยดูออกไหมนิดหน่อยครับถ้าใจมันไม่ไปแบกโลกไปคลุกโลกนะถ้าไปแบกโลกไปคลุกโลกใจมันจะหนักหนักถ้าใจกับโลกมันเริ่มแยกออกจากกันมันจะโล่งโล่เบาๆแต่บางทีดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็แค่รู้ว่าตอนนี้ใจโล่งตอนนี้ใจหนักดูอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่เที่ยงครับตอนนี้ยังทําถูกถูกทางนี่ครับจิตต้องถึงฐานนะตอนนี้ไม่ถึงฐา น, นครับถึงไหม คิดว่าถึงครับถึงหลวงพ่อดูออก่าจินวิ่งมาหาหลวงพ่อคิดว่ามันออกไปกลางๆอะรู้รู้ทันมันนะเคลื่อนออกไปก็รู้ทันนะกลุ้มใจก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นเมื่อเจ็ดสิบห้าของคุณผู้ชายนั้นอะภานาไปนะใช้ได้ของคุณดีขึ้นเรื่อยๆแหละ นมัสการหลวงพ่อครับกว่าจะทําให้ตื่นได้แต่ละครั้งยากแต่ว่าหลับนี่ง่ายมากเลยแล้วหลั บ, ลบกว่าจะให้ตื่นอีกทีโอ้โ oh. หอย่าอยากนะตัวที่ทําให้ไม่ตื่นเนี่ยตัวอยากที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าอ่ะเวลาเรามีความอยากเนี่ยจิตเรามีกิเลสสติไม่เกิดหรอกเพราะงั้นถ้าอยากให้ตื่นรู้ว่าอยากเมื่อไห ร, ร่รู้ทันสภาวะตามที่เขาเป็ดนะจิตจะตื่นอัตโนมัติเลยแต่ถ้าใจเชื่อด้วยความอยากจะไม่ตื่นหรอก ของผมตอนนี้ขาดความตั้งมั่นใช่ไหมครับขาดสมาสมาธิมันมัวไหมมัวครับคือรู้มีโมหะนะมีโมหะเราต้องทํำยังไงไม่ทําอะไรรู้อย่างที่เขาเป็นนะถึงเวลาไม่ทําในรูปแบบรู้ไม่ชัดก็มัวเนี่ยคือโมหะเพราะว่ามีโมหะทาให้รู้ไม่ชัดให้เรารู้ว่ามีโมหะรู้แล้วไม่ชอบอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยาก คือรู้ทันใจลงปัจจุบันไปด่อยถ้าเรารู้สภาวะที่ปรากฏในปัจจุบันได้จริงๆรินะจิตเจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอย่างจิตตอนเนี้ยประคับประคองไว้บ้างไหมประคับกับเก่งตอนนี้อ้ามันเก่งเห็นไหมมันไม่เป็นธรรมชาติปล่อยมันสิปล่อยรู้อย่างที่มันเป็นรู้สงสัยนิดนึงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญากับสังขารนะครับเวลา จะเกิดความคิดสังขารขึ้นมานี้ต้องใช้สัญญามาปรุงใช่ไหมครับสัญญาปรุงให้เกิดสังขารก็ได้เวทนาปรุงให้เกิดสังขารก็ได้แต่พอสังขารเกิดแล้วนะสัญญาเข้าไปปรุงต่ออีกคือสงสัยเพราะว่าในปฏิจจสมุทจบาตเป็นเวทนาเกิดก่อนแล้วถึงจะมีสัญญาอ่ะไม่เป็นสังขารก่อนแล้วถึงจะมีสัญญาโคละอนกันนะสังขารตัวนั้นเป็นความปรุงของจิต ที่อวิชชาปัจจยาสังขาราใช่ไหมครับสังขารนั่นเป็นความปรุงของจิตปรุงออกมาจากความไม่มีอะไรปรุงออกมาจากความบ้างว่าคนละสเต็ปถ้าภาวนาอยู่ในจุดนี้ยังไม่เห็นตรงนี้นจะเห็นปฏิจจสุบัติท่อนท้ายจะเห็นได้ตั้งแต่ว่ามีอายตนะมีผัสสะมีเวทนาเห็นตรงนี้นะมีตัณหาอุปาทานพบมีทุกเห็นตรงนี้ยังไม่เห็นท่อนแรกนะแล้วเราจะ เห็นตัวสัญญาได้ครับคือเวลาถ้าเรารู้อะไรเราก็รู้ถ้าเราไม่ได้รู้ปรมัตดก็คือเราต้องรู้ผ่านสังขารใช่ไหมครับหน้าตอนนี้คือสังขารเป็นปรมัดอันหนึ่งนะแล้วตัวสัญญาอยู่ไหนคือเราเจอสัญญาเนี่ยมันเข้าไปหมายหมายรู้นะเป็นการเข้าไปหมายเกิดได้2อจุดอันหนึ่งอย่างเรานั่งอยู่เฉยๆนะหน้าคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาสัญญาพุทธขึ้นมาจําหน้าคนนี้ขึ้นมาได้ไม่ได้เจตนาคิดเลยนะ พอหน้าคนนี้เกิดขึ้นมาสัญญาปรุงเลยเกลียดมันมีคนนี้จำได้ว่าไม่ดีหรือคนนี้ผุดขึ้นมารักมันลนะคนนี้ชอบนะนี่ปรุงอย่างนี้ก็ได้นะมีสังขารขึ้นมาแล้วสัญญาเข้าไปตีความเข้าไปให้ค่าได้อีกนะมีสองสเต็ปนะหัวท้ายเลยขอขอสุดท้ายเลยครับก็คือพอดีเมื่อชาหลวงพ่อเทศเรื่องตันหาเลยสงสัยความสัมพันตันหากับสังขารด้วยคนละอันกันนะไกลกันมากสังขารตอนนี้ยังไม่เห็นหอก ที่อาวิชาปัจจยาสังขาราใช่ไหมสังขารตัวนี้ยังไม่เห็นวิญญาณของคนก็ยังไม่เห็นนะยังเห็นมาไม่ถึงหนอกนะต้องภานาอีกความคิดนี่ก็คือเรียกว่าสังขารเหมือนกันใช่ความคิดปรุงแต่งขึ้นมามปรุงแต่นะแต่ว่ามันคนละสเต็ปคนละระดับกับเอาวิชาปัจจยาสังขารานะคนละอันกันอันนี้อยู่ในนามรูปเท่านั้นเองสังขารตัวนี้อยู่ในนามรูป วิญญาณเรายังไม่เห็นเลยวิญญาณที่ยั่งลงไปแล้วนามรูปปรากฏเนี่ยรายังไม่เห็นเ <c oughs> ลยงั้นเราจะกอนนั้นนีนไม่เห็นเนอกยังไม่ต้องรีบเอ า, ามไม่ไรีบไม่รีบนะเอาไว้ตอนจะเป็นพระลรหันล้วจะเห็นนะตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกขอบคุณครับเบอร์แปดขออากาศสมการบ้านค่ะคือตอนนี้เนี่ยจะเห็นกายกับใจเนี่ยทำงานแยกจากกันดีแล้วก็ มีไปเจอสภาวะค่ะตอนเดินจงกลบครั้งแรกตอนนอนก่อนนะคะมันจะรู้สึกเหมือนกับโดนบีบคั้นรุนแรงแล้วก็ตอนนั้นก็รู้ก็จบไปแล้วก็ไปเดินจงกรมอะค่ะมันก็ขึ้นมาอีกแล้วพอเป็นรู้มันก็ดับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ดับอแล้วหลังจากนั้นมาก็คือเวลาใช้ชีวิตประจําวันเนี้ยค่ะอยู่ดีมันก็ผุดขึ้นมาอก็รู้แล้วก็ดับไปแล้วแก่ตีแล้วเนี่ย อย่างนี้คือก็คือรู้มันไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ะรู้ไปอย่างนี้แหละเห็นไหมมันจะเกิดมันก็เกิดของมันเองนะมันดับมันก็ดับของมันเองนะค่ะไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเลยค่ะแล้วก็หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมคะไม่ต้องไปคิดนำมันนะค่อยๆใจเย็นๆตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยงั้นมันจะล้าไปมันจะคิดสรุปเร็วไปค่ะใช่ไหมก็มีค่ะ วัย่สิบขอบคุณค่ะครับกรา บ, บน้ำระส ก, การหลวงพ่อครับเออเมื่อ2เดือนที่แล้วมาส่งการบ้านพอดีมีทุกหนักภาวนาก็เลยรุมๆดอนๆ ต, ตอนนี้ผ่านมาก็รู้สึกดีขึ้นกลับมาเหมือนเดิมครับบางทีก็เห็นกายบางทีก็เห็นจิตขอหลวงพ่อช่วยแนะนําด้วยครับเพราภาวนาถูกแล้วนะเห็นไม่กายกับจิตมันแยกกันได้นะครัธนะาตุขันมันกระจายออกไปแล้วเราก็ตามดูไปแต่ละอันไม่มีเราหรอก ที่พอนาอยู่ถูกแล้วล่ะครับเออวันนี้พอดีพาคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณแม่ยายมาด้วยฮะขอมากี่คนนะมาอีกสามคนครับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณแม่ยายขอเอาอีกสักคนหนึ่งกันแล้วกันนะเหลือเยอะเลยเดี๋ยวไม่ทันขอแนะนํารวมๆกัไเลครับสาหรับเอ่อผู้สูงผู้สูงก็อยู่ครับยืนตรงไหนนี่ชูมืออ๋อสามคนโยมที่อยู่ข้างหลังนั้นใครคุณแม่ยายครับแม่ยายนะให้แม่ยายเนี่ยฝั่งซีดีได้เลย ผถ้าแม่ยายมีความสุขหรือว่ามีความสุขนะดูลงไปเลยแล้วแม่แม่ใช่ไหมโมโ oh หรู้ว่าโมโ oh หนะอะใจเราเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยแล้วใจเราขี้โมโ oh หรู้ว่าขี้โมโ oh หน ะ, ะส่วนคุณแม่ยายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไปน ะ, ะส่วนคุณพ่อพ่อหรือพ่อตาคุณพ่อครับเอพ่อก็ดูไปเรืยนะใครรู้สึกตัวเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ นะฟังซีดีนะฟังซีดีไปแล้วสังเกตใจบ่อยๆนะห้าสิบเจ็ดเมื่อครั้งที่แล้วมาส่งกันบ้านเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ ม, มีพุโทโธเป็นเครื่องอยู่ค่ะค่ะก็พยายามกลับไปก็ถ้าหลงๆไปก็พยายามนึกถึงคำหลวงพ่อค่ะก็จะมีเสียงหลวงพ่อคอยเตือนก็เหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะมีแรงมากขึ้นเจ้าค่ะ แล้วแต่ตอนนี้ค่ะมันหลังๆรู้สึกกุ้มใจมากเนื่องจากว่าปกติเป็นคนหงุดหงิดแล้วก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐาดสูงในการทํางานเจ้าค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอเวลาหงุดหงิดเหมือนใครทําอะไรไม่ถูกใจอะค่ะก็จะหงุดหงิดแต่ว่าแล้วก็โมโหเจ้าค่ะทีนี้เขาตามรู้ทันก็คือเหมือนกับคนข้างๆจะบอกว่าโมโหไปแล้วแล้วก็รุนแรงอย่างเงี้ยค่ะมันออกมาทางสีหน้าแต่ของหนูว่ามันดับไปแล้วเจ้าค่ะ แต่ว่าคนข้างๆเขาไม่ดับแต่ก่อนเราเก็บกดอ่ะอแล้วก็ไม่แสดงออกนะเดี๋ยวนี้เราดูเราตามรู้ตามดูบอกให้เขาทนไปบอกมันจะแสดงออกชั่วคราวเท่านั้นแหละอีกหน่อยก็ดีกว่านี้ก็พยายามนะค่ะแล้วก็แบบก็เลยแบบว่าบางทีก็ท้อเหมือนกันว่าเหมือนรู้สึกว่าตัวเองรู้ทันมากขึ้นแล้วเจ้าค่ะเหมือนจะที่ภา<ด>วนา<ด>อยู่ใช้ได้แล้วนะทุกคนจะผ่าบอกเขาให้อดทนให้เวลาเราอีกหน่อยอย่ามาคาดหวัง มากเกินไปนะเจ้าค่ะก็ก็จะพยายามตามดูไปเรื่อยๆให้ทันมากขึ้นเจ้าค่ะเราฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็หลังๆนี้ก็พยายามอลองนั่งสมาธิดูค่ะเพราะเมื่อก่อนนี้จะนั่งไม่ได้ก็มีบางทีก็เหมือนจะรวมบ้างนิดๆค่ะแต่แปบ๊แปบๆเดียวแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบจิตจะวิ่งไปวิ่งมาเจ้าค่ะเราก็ทำให้รู้สึกว่าฟุงา้งซ่านแล้วก็ ไม่รู้จะจับที่อะไรดีเจ้าก็ให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านอยากสงบให้รู้ทันว่าอยากสงบแค่นั้นแหละแล้วก็คือพุทโธไปด้วยได้ใช่ไหมเจ้าค่ะคือกลัวจะไปเพ่งเจ้าพุทโธไม่ไม่ทิ้งนะเพ่งเรารู้จักแล้วมันไม่เพ่งแล้วเจ้าค่ะคนที่ไปเพ่งเพราะไม่รู้จักว่าเพ่งเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายค่ะหลวงพ่อคือหลังๆนี้จะรู้สึกว่าโลกมันหางไปทุกทีทุกทีเจ้าค่ะแล้วก็เป็นอยังไงนั่นแหละ มีธรรมะมากขึ้นเจ้าค่ะยิ่งพอฟังครูบาอาจารย์หรือว่าฟังธรรมะมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าปีติมากเจ้าค่ะนั่นแหละไปในนั้นแหละก็แม่ทราบว่า เ, เหมือนบางทีก็ปัญญามันล้ำหน้าไปหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ล้ำหรอกเจ้าค่ะห้าสิบแปดขอบพระคุณเจ้าค่ะตอนนี้มันออกนอกนอกหลักไปครับก็เลยมาให้หลวงพ่อตบหน่อยครับฮะให้หลวงพ่อตบ<ก>ตบเข้าทางไหนครับ โอ้เดี๋ยวมันเตะหลวงพ่อสิก็รู้นี่นะอะไรถูกอะไรผิดอะขยันสี่ขยันนอนะโลกมันก็อย่างนั้นแหละสนุกกับมันได้นะแต่สักพักหนึ่งก็จะเห็นนะโลกมันจืดมันไม่สนุกจริงรู้สึกเปล่าครับไม่สนุกจริงสนุกไม่ได้จริงหรอกต่อไปก็เห็นมันมีแต่ทุกนะคือใจเราเนี่ยมันหนีมันกลัวจะเห็นทุกนะมันก็หนีนึกออกไหม ตครับจะหนีไปหาโลกอ่ะแล้วไปดูที่โลกเองโลกไม่ได้มีความสุขอย่างที่เหมือนเดิมอย่างที่เคยอ อ, อยนะยิ่งแย่กว่าเก่าอีกจะไปทางธรรมก็ยังอะไรอววรกับโลกจะอยู่ก็โลกก็อยู่ไม่ได้นะ่ะนั่นแหะใจมันคับลูกคับดอกอยู่ไปพอนาต่อไอ้ยิบยิบนี้คือเราจะยังไงกับมันดีครับไม่ทําอะไรห้ามมันไม่ได้อนละ้ให้รู้แต่อย่าถลําลงไปรู้นะตอนนี้แยกสภาวะตั้งมั่นกับไม่ตั้งมั่นไม่ออกแล้วครับเมแลไม่เป็นไร อยากแยกรู้ว่าอยากเลยถ้าเมื่อไหร่สภาวะอะไรเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันน่ะรู้ลูกเดียวเลยที่ฝึก อ, อยู่ไม่ไม่ไม่ผิดพลาดอะไรหรอกใช้ได้อยู่พอไปไหวไหวขอบคุณครับแต่มันจะอยู่ในภาวะเรียกว่าเบื่อเบื่อ อ, อยากอยากอ่ะจะไปทางธรรมก็ยังอะไรวอนโลกมาอยู่กับโลกก็ไม่เห็นว่ามันเป็นสุขจริงใช่เปล่าใช่ครับใช่สิไม่หลอกหรอกเราก็เคยเป็นอ้าวเบอร์สาบนาศการหพ่อคะ่ะ เออพอดีรบกวนถามค่ะเพราะว่าบางทีเห็นว่าตัวเองฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็คือพยายามมองว่ามั น, มนฟุ้งแล้วก็ไม่เห็นความอยากนะคะว่าอยากว่าอยากให้หายแต่ว่ามันก็ฟุ้งอยู่อย่างนั้นนะคะใจมันไม่ชอบนะใจไม่เป็นกลางก็คแค่รู้เท่านั้นแหละว่ามันไม่ชอบ <c oughs> เห็นความหงุดหงิด้หมําคาญ เห็นเห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าใจนี่มันคิดคิดคิดคิดแล้วมันมันไปของมันได้เรื่อยอๆามไม่ได้จิตมีธรรมชาติคิดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนเราเรียนจนเห็นความจริงว่ามันคิดของมันเองเห็นว่าเรื่องที่คิดนี่แบบคือมันมาเองเนี่ยตรงนี้เห็นนะคะแต่ว่าตอนหายไปเนี่ยไม่เห็นไม่เปไนนะ็นไรนะเพราะอย่างหนึ่งคือถึงมามาบ่อยไม่ได้ไม่ทราบ หลวงพ่อจะแนะนําอะไรได้ไหมคะว่าคือสังเกตจิตของเราไปเรื่อยนะสังเกตจิตจิตไม่เป็นกลางก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วมันมีความเล่าร้อนรู้สึกไหมเต็มเราก็รู้ทันลงปัจจุบันอย่างนี้แหละการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกนะรู้ทันจิตลงปัจจุบันเรื่อยไปเจ็ดสิบสองงั้นใจมันเล่าร้อนกราบหลวงพ่อค่ะส่งการบ้าน ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะคะก็ได้ไปทํามาแล้วก็ดูว่ามันก็ยังมีความยินร้ายอยู่อยู่เสมอๆค่ะแล้วก็ไปเพิ่มเวลาทําสมถะมากขึ้นนะคะไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มดีแล้วล่ะนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นค่ะดีไปทําต่อนะขอบพระคุณค่ะแต่ว่าต้องพยายามสังเกตจิตไหมเพิ่มตรงนี้นิดนึง ว่าจิตมันถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงเออนะไม่ถึงนะให้รู้ทันรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องดึงมันเข้ามาเองแหละเคยได้ส <พบ S 1> <47 S 3> ี่สิบเจ็ดมัสการครับผมพ่อช่วงนี้ผ่านมาผมปรวาวนามารับปีกว่าแล้วผมเจ้าหนา ว, วิธีการก็คือหาจใจบ้างหรือพุโทโธบ้างแต่บางครั้งทำไปสักพักสักวันสองวันก็จะมีการเพ่งขึ้นแ ทำสสามวันแล้วเพ่งเหรอใช่ครับผมแต่อย่าะไรก็ตามมันก็ยังยังเห็นว่าบางครั้งติดกับกายเหมือนบางครั้งบางครั้งนะครับจะแยกออกไปแล้วจะเห็นว่าติดบางครั้งเหมือนการทำงานได้เองบ่อยบ่อยครับที่ฝึกอยู่ยังไม่เป็นปัญหานะครับมันเพ่งแล้วก็รู้ทันว่ามันเพ่งไม่ใช่ปัญหาหรอกครับวิธีการตอนนี้ที่ผมมามาแก้ไขตัวเองก็คือว่าตอนเช้าที่ตื่นมาผมใช้วิธีการเดินจงกรมก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับได้แล้วก็หลังจากนั้นก็มานั่งใช้วิธีการเคลื่อนไหวมือของพ่ะเทียนนะครับ อะไรนะวิธีการเคลื่อนเคลื่อนไหวมือครับสี่จังหวะครับทําเมื่อยแล้วก็มานั่งหายใจสลับกันไปอย่างนี้ใช้ได้หรับได้ตัวสําคัญนะที่มีตลอดเลยรู้สึกตัวไปนะเห็นร่างกายหายใจบ้างเห็นร่างกายเดินบ้างเห็นร่างกายเคลื่อนไหวบ้างครับผมกายกับใจแยกออกจากกันครับผมใช่ครับมีกคำถามครับเปินว่าผมพึ่งสูญเสียบุตร วิป็นที่รับไปนะครับอะไรนะัร้นผมก็ฝังเปินป่นเพิ่งสูญเสียบุตรไปนะครับผมอ๋ตอตันี้เวลาผมนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยใจก็พยายามคิดว่าจะจะทำบุญให้บุตรอย่างเงี้ยครับดีดีมันก็เลยจะเป็นว่าจะกลายเป็นความอยากหรือเปล่านีครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นะครับเอามาเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมดีที่สุดเลยฉลาดที่สุดแล้วถ้าเราเศร้าโศกแล้วเราไปคิดถึงเขาเนี่ยกระแสความเศร้ามันส่งออกไปแทนนะครับยิ่งไม่ดีเลย ให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลไว้เราระลึกถึงเขานะขอให้เขามีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยครับดีครับผมก็มีข้ออะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับไปทำเรด้วยสินะที่ฝึกอยู่ดีแล้วขันมันก็แยกออกไปแล้วค่อยดูมันแปแต่ละขันไม่มีเราครับผม้อยสาครับสอ32นี่อยู่นั่งข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยหัวใจมันเต้นตุันนะครบ ปกติเวลาภาวนาก็จะดูอยู่เอาจิตวางอยู่ที่หน้าอกฮะแต่ว่าก็จะแบบรู้ทั่วๆไปบางครั้งก็จะเห็นว่ากายมันก็ตั้งอยู่เหมือนสิ่งของไงฮะอืง mm hmm. ตั้งๆวางๆอยู่ mm hmm. จิตก็จะเห็นมันแยกๆออกมาอืม mm hmm. ตั้งวางวางอยู่ mm hmm. ข้างในมันจะโล่งๆแล้วก็ mm hmm. ความคิดก็เหมือนกันมันก็อยู่เปนที่ที่มันคงแต่เราไม่จงใจให้เป็นนะแต่ไม่ได้จงใจให้เป็นถ้ามันเป็นเองใช้ได้ครับเราไม่ต้องจงใจให้เป็นทุกครั้งที่ภาวนาครับก็ตามธรรมชาติว่ามันให้เป็นธรรมชาตินะครับดีก็เป็นการภาวนาที่ถูกเราใช่ไหมครับถูกนะแต่สมาธิทําในรูปแบบไหมทําในรูปแบบด้วยเพื่อเให้มันมีพลังครับเอานะครับต้องทํานะไม่งั้นพลังจะอ่อนไป ครับก็จะดูอาอนาปานสติไปถ้าเกิดว่าทําให้มันจิตเราหายใจซิรู้รูไปสบายสบายรู้ไปอย่ามีความสุขเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นร่างกายคนอื่นหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูกายกับใจแยกออกจากกันค่อยๆฝึกไปเรื่อยอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งครับวันนี้ตั้งใจมากเลยคือตั้งใจจะมาขอเข้ามา เพราะว่าไม่รู้ว่าชาตินี้ชาติใดเคยได้ล่วงเกินหลวงพ่อหรือเปล่าก็ขอขอมาด้ยวยครับถ้าเกิดว่าเคยล่วงเกินไปทางกายว่าจจใจเจตนาไม่เจตนาก็ตามหรือว่าเอางนี้สิเอาให้กว้างๆหน่อยบอกถ้าได้เคยล่วงเกินพระรัตนตรัยนะชาติใดก็ตามนะขอขมาต่อพระรัตนตรัยนะเอากว้างๆเลยก็ ขอขอมาแกพระนรั ต, ราตนาไตระหลวงพ่อแล้ว พ, พัดพุทธธรรมประสงค์ด้วยออครับนะบสาธุนะกใครยสำรองนะครับือขอบับพุ่นครับอหมดเวลาแล้วเชิญ